บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุกิโตโฮมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโฮมิปราศจากความทุกข์อเวโรโฮมิปราศจากเวรอัปยาปโชโฮมิปราศจากอุปสรรค ความเบียดเบียนทั้งปวงอานิโคโหโมมปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอาตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด